เมื่อสองเดือนก่อนนะมีนักฟุตบอลชื่อดังนะในประเทศเอังกฤษนะตกเป็นข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวก็เพราะว่าไปทำร้ายแมวที่ตัวเองเลี้ยงทั้งเตะนะแล้วก็เอารองเท้าขว้างแล้วก็ตามไปเตะไปเตียมันต่อแมวกระทั่งมันอยู่ในอ้อมกอดของลูกชายแล้ว ก็ยังไม่พอใจนะยังไปตบมันนะจนหลุดจากมือของเด็กเลยแมวนั่นก็เป็นแม่ที่ตัวเองเลี้ยงนะก็คงจะรักทนุทนอมมันในบางเวลาแต่ตอนนั้นเนี่ยคงเพราะว่ามันซนอาจจะทำให้บ้านเลอะเทอะเลยโกรธนะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะก็ไลต่ตีไล่เตะตบมันนะจริงๆนะมันจะไม่เป็นข่าวหรอกนะ หากว่าไม่มีคนที่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นน้องชายเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ในคนถ่ายก็สนุกไปด้วยนะหัวเราะเลยนะที่ที่ชายนี่ไล่แตะไล่ตีแมวแล้วก็บอกว่าไอคลิปเนี่ยนะมันก็ไปถึงมือหนังสือพิมพ์นะชื่อดังเขาก็เอา อ่าลงเลยนะลงข่าวแล้วก็โพสคลิปเนี่ยทางเว็บไซต์ด้วยของหนังสือพิมพ์นั้นเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องเลยนะคนเนี่ยนะจะรู้กว่าเป็นแสนเลยนะก็ลุมประนามนะเท่านั้นไม่พอนะตอนที่ไม่กี่วันต่อมาเขาลงสนามแข่งเนี่ยก็บอกว่าแฟนบอลทั้งสองทีมเลยนะ ทั้งทีมของตัวด้วยแล้วก็ทีมของคู่แข่งด้วยก็โ h นะโหลั่นนะกลางสนามเลยเพราะว่ารับไม่ได้นะกับพฤติกรรมของนักฟุตบอลคนนี้ท่านั้นไม่พอนะสโมสรต้นสังกัดนี่ก็สั่งปรับเลยทั้งทังที่สิ่งที่เขาทำนี่มันก็ไม่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลนะแตก่ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้นะ เสียหายมากปรับไปนะสิบกว่าล้านบาท น, นะยังไม่พอนะบริษัทเนี่ยรองเท้าที่จ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์นี่ก็เลอกสัญญาเลยเพราะว่าพฤติกรรมนี่มันเสื่อมเสียนะต่อสินค้าที่นักฟุตบอลคนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์น ะ, ะเป็น รองเท้านะรองเท้ากีฬาแล้วยังมีค น, นจะนะเล่นงานอีกหลายทางนะรวมทั้งอาจจะมีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาทารุณกรรมสัตว์น ะ, นะอังกฤษเขามีกฎหมายห้ามทารุณสัตว์เหมือนเมืองไทยแหละอาจจะติดคุกได้นะหรือว่าถูกปรับอย่างแรง เจ้าตัวนี่คงจะนึกไม่ถึงนะว่าโอ้ทําแค่นี้เนี่ยทําไมมันถึงเกิดผลเสียแค่มากมายอยางั้นแต่สําหรับคนสมัยนี้เนี่ยนะใน <c oughs> การทำร้ายสัตว์มันไม่ใช่แค่นี้นะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาถือว่าสัตว์เนี่ยหรือว่าสัตว์เลี้ยงนี่มันควรได้รับการคุ้มครอง รเราเอาใจใส่เพราะเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลมีสิทธิ์ที่จะปลอดพ้นจากการถูกทําร้ายอันนี้ก็เป็นมาตรฐานใหม่นะของสังคมปัจจุบันเนี่ยนะสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาแล้วในเมืองไทยก็มี เหการณนองนองนี่นะถึงแม้จะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนดังมีชื่อเสียงยอย่างมีบางคนนี่นะทำร้ายสัตว์ก็ดีทรมานสัตว์ก็ดีหรือบางทีทำร้ายเด็กนะนเด็กนี่ก็อาจจะเป็นลูกของตัวหรือหลานของตัวเนี่ยแค่นี้มันก็แย่อยู่แล้วนะยังมีการถ่ายคลิปวิดีโอด้วย เหมือนกับว่ามีความภูมิใจที่ได้ทำอย่างนั้นไปเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นวีรกรรมนะถ่ายคลิปเรายังไม่พอนะยังเอาไปเผยแพร่ด้วยนะทาง f a c e b o o นะหรือไม่ก็แชร์กันทาง l ลน e อันนี้คงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนเนยบอกว่าเป็นเรื่องเหมือนกันนะ อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการเห็นกองจักเป็นดอกบัวนะคือเห็นว่าการทำร้ายนะการใช้กำลังนี่แม้กับคนที่อยู่ในการดูแลของตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียหายนี่นําซ้ายังเป็นเรื่องที่อยากจะอวดอยากจะโชว์เนี่ยออมีคนเป็นจานวนไม่น้อยนะนะเดือดร้อนนะ ก็เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้แหละอาจจะแชร์คลิปวิดีโอเพื่ออวดวีรกรรมของตัวหรืออาจจะเขียนข้อความที่ดูถูกดูหมิญญญม่นเย็ดย้มใครบางคนหรือคนบางกลุ่มหรือว่าไปต่อว่าด่าทอใช้คำที่รุนแรงเสียหาย เดี๋ยวเขาจะเป็นคนดังมีชื่อเสียงเนี่ยเดือดร้อนเลยเดี๋ยวนี้แบบนี้นี่มีเยอะมากนะในยุคที่เรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้คนเนี่ยก็หาเรื่องใส่ตัวหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยวิธีนี้เยอะมากทีเดียวในยุคนี้เนี่ยนะอินเทอร์เน็ตนะมันก็ทําให้คนเราเนี่ยนะมีอ่า มีอำนาจมากขึ้นนะแต่ก่อนอจะสื่อสารอะไรก็แค่ปากต่อปากนะรู้กันแค่คนสองคนแต่เดี๋ยวนี้นี่อินเทอร์เน็ตมันทำให้เรามีอำนาจที่จะแพร่กระจายคำพูดข้อความภาพถ่ายออกไปได้อย่างกว้างขวางคนรับรู้นี่มากนะ เป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นแสนแต่ทุกอย่างนะั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะมันก็ข้อเสียงมันคือว่าถ้าว่าเราพูดหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยหรือว่ามันไม่อสอดคล้องกับค่านิยมมาตรฐานของผู้คนเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบตามมารุนแรงเลยทีเดียวอย่างที่มีคําพูดว่าเนี่ย ก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคําพูดนะแต่พอพูดไปแล้วนี่คําพูดเป็นนายเราเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่คําพูดนะมันรวมถึงข้อความภาพถ่ายคลิปวิดีโอด้วยก่อนเผยแพร่นี่เราเป็นนายมันนะพอเผยแพร่เสร็จนี่มันเป็นนายเราถ้าดีก็ดีไปนะแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยโอมันเกิดผลกระทบกว้างขวางเสียหายมากนะแล้วบางทีมันก็ ตามติดเราไปนานอีกหลายปีทีเดียวบางคนพูดไปไม่มีคนสนใจเพราะว่ายังไม่มีชื่อเสียงพอผ่านไปสิบปีสิบปีเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาก็มีคนบังเอิญเห็นก็นำมาเผยแพร่นี่ก็เรียกว่าเดือดร้อนนะภาษาสมัยหมายเรียกว่านะงานเข้าหรือว่าทัวลงนะบางทีเสียอนาคตไปเลย สมัยนี้เนี่ยนะเรามีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกนะทำให้อะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะเราจะสื่อสารกับใครก็สามารถจะใช้เวลาไม่นานสมัยก่อนนี่นะเวลาไม่พอใจใครเนี่ยนะอยากจะต่อว่าต้องเขียนเป็นจดหมายนะเขียนเป็นจดหมายแล้วก็เขียนเสร็จไม่พร้ต้องเอาไปหยอดตู้ แต่ตอนหลังนี่มันมีโทรศัพท์แล้วอยากจะดึกด่กดาก็โทรศัพท์นะหยิบโทรศัพท์ไปดา่าแต่ว่าสมัยก่อนโทรศัพท์มันมันไม่ได้ตามติดตัวอยู่ที่บ้านมึงอยู่ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะมึงต้องเดินไปนะต้องเดินไปที่โทรศัพท์นะหรือว่าไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะบางทีมันก็ทำให้อารมณ์ที่เคยคุกกรุนเนี่ยมัน เบาบางลงไปได้นะแต่ตอนหลังนี่มันมีโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยอยากจะด่าก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากรอกเสียงด่าเลยมันเร็วนะความเร็วนี่มันก็ดีสำหรับเราในบางครั้งแต่บางทีมันก็เกิดผลเสียใ น, ในยคุคที่อะไรที่เร็วอะไรก็เร็วไปหมดเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องเร็วด้วยนะคือสตินะ สติต้องเร็วด้วยเพราะถ้าหางว่าสติไม่เร็วนี่ไอสิ่งที่เราเผลอทาไปนี่มันมันแก้ไขได้ยากแต่ก่อนเขียนจดหมายนี่ระหว่างที่เขียนนี่มันด่าไปด่าไปบางทีเขียนเสร็จนะได้สติขึ้นมาไม่ส่งหรือว่าเขียนเสร็จแล้วผนึกซองแล้วติดสตัมแล้วนะจะไปที่ตู้เกิดอ่าได้คิดขึ้นมา อารมณ์โกรธมันเย็นลงอ่ะก็ไม่ส่งนะหรือว่าจะโทรศัพท์ด่าเนี่ยเดินไปที่ตู้โทรศัพท์เนี่ยอารมณ์มันก็เย็นลงนะก็เราไม่ทําดับจังชั่งใจไว้ได้นะแต่เดี๋ยวนี้นี่มันพลาดได้ง่ายนะเพราะว่าสตินี่มาช้าั้นยุคนี้เนี่ยในยุคที่อะไรก็เร็วไปหมดเนี่ยนะ สติต้องเร็วด้วยสติต้องไวด้วยนะไม่งั้นนี่อารมณ์โกรธก็ดีนะหรือว่าความเกลียดก็ดีมันมันพาเราเนี่ยนะเข้ารกเข้าพงก่อความเสียหายแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ทันอันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยส น, สนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นความสาคัญนะว่านอกจากคิดเร็วตัดสินใจเร็วแล้วเนี่ยนะมันต้องมีสติที่เร็วที่ไวด้วยไม่งั้นนี่ก็ อาจจะเสียผู้เสียคนไปได้ง่ายๆนะ